ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเรายอมรับอะไรได้บางอย่างเนี่ยใจเราก็สบายถ้าเรายอมรับไม่ได้มันก็งุดงิดอึดอัดคัดเคืองถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วทุกอย่างมันจะเป็นปกติไม่มีอะไรได้อย่างใจเราหรอกมีไมไอ้ที่ได้อย่างใจเราจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกแม้แต่เราจะนั่งฟังยังมีสติแต่มันก็ไม่เกิดสติได้ง่ายๆวันนี้จิตมันก็เลื่อนลอยเผลออินเข้ามาในธรรมะบ้าง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 ให้ค่าในด้านที่ไม่พอใจมันก็มีความหมายในใจเราถ้าให้ค่าในด้านพอใจมันก็มีความหมายทั้งอภิชชาและก็โท ม, มนัสเนะทั้งสองอย่างเลยมาเข้าครอบงามใจเราสิ่งนั้นมันก็มีความหมายในใจเรามันก็มีน้ำหนักมันก็หนักทวงกิดทวงใจเราแล้วเราก็เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีตัวตนนะแต่มีอิทธิพลมากเรื่องของความคิด้องการปรุงแต่ง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 โดยธรรมชาติเนี่อย่างผมเน็ตแต่ก่อนนี่หุดหิดมากไอ้ร่างกายพิการเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเดินได้เมื่อไหร่มันจะหายทั้งดีมันต้องพิการตลอดชีวิตนั่นก็ยังหวังให้มันหายพอมาเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคิดเลยว่าเออไม่หายก็ไม่หายกันให้มันไม่ต้องเดินแล้วอยู่ไปอย่างงี้ตลอดไปเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินแล้วไม่เป็นไรหรอกโอ้มันไม่สนใจกับกายอย่างเดียวใจมันสบายเลย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 ย้อนกลับมาดูตัวเราด้วยความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องให้จิตมันตื่นรู้ตื่นรู้ตัวเรามีอะไร ม, มีสองอย่างก็มีเรื่องของกายกับเรื่องของจิตสองอย่างรวมกันเรือว่าตัวเราเรื่องของกายเรื่องของจิตด้วยความรู้สึกตัวลงไปที่กายที่ใจของเราอะไรก็ได้รู้สึกตัวก็คือธรรมะใช่ไหม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 อย่าไปหารู้มันมันจะเป็นความคิดอะไรเกิดก่อนรู้ก่อนคือรู้สึกอะเร่กายเกิดก่อนร่างกายเกิดก่อนรู้สึกตัวลงาไปที่กายรู้กายรู้ไปเรื่อยเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าเราไม่รู้กายเนี่ยจิตมันตเตลิดนะจิตมันก็เที่ยวเล่ล่อนถ้าเรามารู้สึกตัวลงาไปที่กายเนี่ยความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตมันก็ดึงจิตกลับมาดูกาย มารู้ที่กายเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนใช่ไหมข้าวเอเครื่องอยู่นี่ชั่วคลาวนะอย่าเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปตรึงอย่าเข้าไปแน่นอย่าเข้าไปยึดอยู่แบบชั่วคราวแบบเนี้ยเนี่ยสาราปันมีเนี่ยเนี่ยเรามาอยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันไปการมารู้กายเนี่ยก็รู้แบบชั่วคราวเอากายมาเป็นเขาเรียกวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนถ้ามันเกิดมีความคิด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 ความรู้สึกตัวนี้ไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมานะรู้กายก็ได้จิตก็ได้คิดก็ได้คือไปเอื้อมรู้เฉยๆ <c oughs> อย่าวิ่งนะถ้าวิ่งนี่มันเข้าไปอยู่ถ้าวิ่งตามไปมันเข้าไปอยู่นะรู้แบบไม่ต้องวิ่งรู้แบบดูดูดูแบบแยกแยะดงห่างรู้สึกก็เพียงแค่เนี้ยจิตมันจะเป็นอิสระนะเห็นหการมีสติรู้กาย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 สติที่เนื่องด้วยกายเนี่ยมันคมมันชัดคมชัดมากเป็นการส ร, ร้างตัวรู้ส ร, ร้างตัวรู้ให้จิตมันตื่นเพื่อที่จะดูส ร, ร้างตัวรู้กับกายเพื่อที่จะดูก็กลับมาดูตัวเราเดียวเดียเป็นเครื่องมือที่ถูกลับอยู่เรื่อยๆให้มันคมอยู่เรื่อยๆเป็นการส ร, ร้างตัวรู้เพื่อที่จะดูเมื่อมีการดูมันก็ย่อมมีการเห็นดูแล้วเห็น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 ยึดให้ติดอยู่กับกายเห็น ไ, ไหมมันเป็นตัญหาผูกมัดจิตให้ติดกับกายถ้าที่กายมันจะแตกจิตมันจะออกแต่เราไม่ยอม ม, มันเห็นไหมไม่ต้องกังวลนะโอ้เราไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บทำไมไม่กลัวเจ็บแล้วไม่กลัวตายบ้างมันไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บโอ้บางคนบอกไม่กลัวตายแต่กลัวแก่เพราะแก่นี่มันหงอยมันเซง มันก็ยังมีความกลัวยอยู่ดีทุกอย่างมันจะแตกแยกกระไฝเป็นธรรมชาติไปจิตเนี่ยเวลาเราจรละสติบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่ามันทำอะไรของมันเองหมดเลยมันจะรู้เองเห็นเองวางเองพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วมันก็ยาวแต่เวลาที่เรากระทำเนี่ยเวลาเราเจรละสติหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันย่อมมีอุปสรรคมีไหมอุปสรรคเนี่ยคือจิตมันไปสะดุดอารมณ์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 ความขี้เกียจท้อแท้หมดกาลังใจอันนี้เป็นอารมณ์ที่จิตมันสะดุดทั้งนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอุปตักแต่คนที่เจริญสติได้ที่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เลยนะอุปกรณ์การเจริญสติทั้งนั้นเลยไอตัวนิวรธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมานุปัตนาสติปฐานเอามาเป็นฐานที่ตั้งของสติเห็นไได้ปัญญาจากสิ่งเหล่านี้แต่คนที่ ยังเข้าไม่ถึงความสุดท้าแท้จริงก็ต้องสะดุดไปก่อนล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอุปสรรคเราเนี่ยมันมีวิธีแก้ไขวันนี้จะบอกไม้เดนะ็ดน่ไม้เด็ดที่เอาไว้ผ่านอุปสรรคเราเนี่ยแต่จริงไม้เด็ดเนี่ยมันไม่ใช่ของผมหรอกผมจำครูบาอาจารย์มาพูดแล้วก็เอามาใช้ฟังเข้ามามาใช้แล้วก็บอกต่อๆกันไป มันได้ผลถ้าฟังมาแล้วมาบอกต่อเนี่ยมันยังไม่ใช่ของจริงเราเอามาใช้ก่อนโอ้นี่มันเป็นไม้เด็ดให้คนอื่นเนี่ยอาจใช้ประโยชน์ได้หลวงพ่ อ, พอคําเขียนสุวรรณโณเนี่ยท่านให้ไม้เด็ดเด็ดเอาไว้ถ้าบอกเวลามียติธรรมเนี่ยไปถามท่านเรื่องการเจริญสติเวลาทําไปเนี่ยมันมีอารมณ์แบบนี้แบบเนี้หลวงพ่ อ, พอจะทําอย่างไร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 อย่าเข้าไปเป็นมันวันนี้หนูง่วงเปลี่ยนหมายเป็นไ่อย่าเข้าไปเป็นมันให้เห็นมันดูมันแต่อย่าเข้าไปเป็นมันโอ้ยประโยคนี้จ้ใช้ตลอดชีวิตดูมันเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นมันเพราะเป็นไม้เด็กของหลวงพ่อแล้วผ่านตลอดเลยเป็นบทสรุปทั้งหมดของการเจริญสติอย่าเข้าไปเป็นมันเพราะการปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเข้าหรือเพื่อปล่อย ถ้าเข้าไปเป็นนี่เราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัติถ้าอยากเข้าไปเป็นมันเนี่ยแม้แต่นักปฏิบัติก็ไม่มีนะอย่าเข้าไปเป็นมันเนี่ยเพรเป็นไม้เดดที่ผ่านตลอดหลวงพ่อบอกมันเป็นฟรีเวย์ผ่านตลอดเลยลองใช้ดูสิอย่าเข้าไปเป็นมันอันนี้เป็นไม้เดกของหลวงพ่อผมเองก็ได้ใช้ บ, บ่อยๆใช้โดยที่ไม่รู้ตัวมากกับ ว, ว่าเราใช้ไม้นี้เลยเพราะว่า ได้ยินได้ฟังได้อา่านจากหลวงพ่อที่ท่านสอนได้ทําเวลาที่เกิดอุปสรรคทั้งหลายก็ตรงนี้แหละพวกเองนี้ที่ได้ใช้ตรงนี้เพราะว่ามาปฏิบัติธรรมมาเจริญตีแบบเคลื่อนไหวแบบนี้แบบเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีสติตามรู้เนี่ยเพราะว่ามันถูกความทุกข์นี่มันบีบคั้นที่ต้องหันมาใช้ชีวิตเดินอยู่บนเส้นทางธรรมทุกบีบคั้นไม่มีทางเลือกมันก็เลยคิดว่าอ๋อนี่ ถ้าเราขืนนอนเป็นทุกอย่างเงี้ยไปเนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์จนตลอดชีวิตและสภาพร่างกายแบบเนี้ยช่วยตัวเองไม่ได้ร่างกายที่มันทุพลภาพแบบเนี้ยแล้วก็จิตใจที่มันคิดลุงแต่งชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานหรอกมันอยู่ไม่นานอีกไม่ชาเราต้องตายแล้วมันจะตายก่องคนอื่นด้วยเพราะความทุกข์นี่มันบันทอนชีวิตเราทุกวันทุกวันพอนึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเนี่ย จิตมันเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนเลยมันเอเราจะมีความตายมาเยือยอีกไม่ช้านี่เราจะทำอย่างไรทำชีวิตอย่างไรให้มันมีสาระมีประโยชน์ว่านี้มันมองหาช่องทางออกหาประโยชน์จะทำอย่างไรดีในช่วงที่เรายังไม่ตายเนี่ยช่วงนี้มันมีโอกาสแล้วมันเกิดความกล้าหาญนะโอกล้าหาญที่ว่าไอ้ทุกข์เพราะความพิการนี่เล็กน้อยมากแต่ทุกข์เพราะความตายนี่มันใหญ่หลวงเหลือเกิน ได้ยทาลองดูสิเวลานึกถึงความตายขึ้นมาเนี่ยไอความทยธยาเนี่ยมันหายไปเลยนะความอยากได้ใครมีอะไรเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยตายไปก็เอาไปไม่ได้เวลาโกรธใครอาฆาตพยาบาทเคืองแค้นใครนึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวสิโอมันให้อภัยรีบให้อภัยเขาเลยเพราะตายแล้วจะอภัยไม่ได้เวลาเราทาในสิ่งที่ไร้สาระมันมั น, ม, นมีหลายอย่าง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 ปรับปรุงตัวเองให้มีชีวิตที่ดีที่สุดจะทําอย่างไรในยามนั่นนะไม่มีอะไรดีนอกากการปฏิบัติธรรมหรอกเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชีวิตโดยตรงเป็นการดับทุกข์ทุกข์มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันต้องรีบดับทุกข์ก่อนเหมือนไฟที่ไหมอวูนศีรษะต้องรีบปรับรีบปรกข์ันรีบปฏิบัติธรรมนั่นเองมันดีตรงเนี้มีบางคนเนี่ยเคยอยู่วัดป่าสุกโตนะย่อยธรรบางท่านนี่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 ทำไมไม่ปฏิบัติที่จิตใจเราล่ะเรามีปัญหาที่ใจใช่ไหมเขาบอกว่ามันอดช่วยเหลือเขาไม่ได้ใช่ไหมอดช่วยไม่ได้มันก็ดีนะแต่มีสิ่งที่ดีกว่านั้นอ่ะมาปฏิบัติทํามไฟกาลังไหมสี ร, รษะแล้วทำไมี่ไม่รีบปัดมัวไปทำอย่างอื่นอยู่บอกว่าคุณลองทำอย่างนี้สิคุณลองทำตัวเป็นคนพิการบ้างสิคนพิการเขาไม่ต้องทาอะไรนะ เขาทำไม่ได้ลองทำดูสิงั้นคุณก็ขยันเรื่อยไปแหละคนพิการก็ต้องทำงานเหมือนกันแต่ทำความรู้สึกตัวเป็นงานหลักทำตรงนี้ก่อนสิมันจะได้ไม่ต้องไปขยันทำสิ่งอื่นก็แนะนำเข้าไปนะให้เห็นประโยชน์อุตส่า์ออกจากบ้านเรือนไปอยู่วัดแล้วไปทำอะไรกันใช้วัดไม่เป็นประโยชน์เลยใช้วัดไปทำงานอยู่บ้านก็ทำได้ทำไมไม่ไปฝึกทำจิต ท, ทำใจให้มันพ้นทุกข์ล่ะ ผมเองก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยเพราะความทุกข์บีบคั้นให้ชีวิตต้องหันเถะมาอยู่บนเส้นทางธรรมชีวิตมันถูกบังคับเลี้ยวอะถูกบังคับเลี้ยวให้มาไปทฏิบททัติธรรมอย่าลีตามที่ขับรถเนี่ยเห็นไหเราขับรถอยู่บนถนนรถติดนี่เราก็แซงซ้ายแซงขวาไปเข้าเลนที่ถูกบังคับเลี้ยวเขา้าจึงจำเป็นต้องเลี้ยวถ้าไปจอดขวางไม่ยอมเลี้ยวล้วก็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 ทำมาแล้วพลิกมือรู้สึกตัวมือขวาม้างมือซ้ายม้างไงรู้สึกตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยมันจะหลงไม่ก็หลงกลับมารู้ไหม่ไม่ได้สนใจความคิดอะไรวันละหกเก็ดชัมม่วโมงแต่พอประมาณทั้งหนึ่งเดือนเนี่ยมันเกิดผลเลยหนึ่งเดือนทําความรู้สึกตัวรู้กายไปอย่างนี้แหละไม่สนใจความคิดหนึ่งเดือนมันเกิดผลขึ้นมาพอสติมันเต็มรอบมันก็เห็นกายเห็นจิต มันแยกรูปแยกนามเห็นกายส่วนหนึ่งอ้อเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตที่รู้ส่วนหนึ่งเห็นความคิดที่มันเลือนลางยังไม่ชัดเจนมันแตกขันหักกระจายเป็นกองๆไปเลยมันเห็นพราสติมันเต็มรอดแล้วมันเห็นได้เหมือนกันนะเข้าสู่ความรู้สึกตัวเกิดภาวะที่ดูขึ้นมาพอเห็นว่ามันไม่มีตัวเรานะ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 อยากจะถามท่านก็ถามไม่ได้อเขียนจดหมายส่งไม่ได้เพราะน้าท่วมบ้านการติดต่อเอาจดหมายวางไว้ก่อนอจิตสติรู้ ก, กายไปก่อนรู้ ก, กายเคลื่อนไหวไม่สนใจมันก็มีอาการแบบเนี้แบบมันหาตัวไม่เจอพลิกมือไปเรื่อยมันเกิดภาะวะหนึ่งขึ้นมาว่าภาะวะที่สลัดสลัดอารมณ์โดยการกลับมาเป็นผู้ดูเลย ดูเห็นไม่เข้าไปเป็นโอ้นี่มันไม้เด็ดของหลวงพ่อเนี่ยจับไม้เด็กของหลวงพ่อมาใช้ดูแล้วเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นดูแล้วเห็นนี่เป็นุิบาสนาแล้วไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเป็นผลนะโอ้เลยหลุดมาตรงเนี้ยตรงไม้เด็กของหลวงพ่อเนี่ยโดยที่หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบมาเลยนะเราทำไปเราสงสัยอย่าเพิ่งถามทำไปเรื่อยๆมันได้คาตอบ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 ละ้วนมันคืออารมณ์นะมันไม่ใช่ตัวตนนะโกรธไม่ดีนะตตลกนะแต่มันก็มันไม่ขาดสัญญาจใจไม่ขาดมันก็ยึดติดอยู่ล่ําไปใช่ไ ม, มเพราะมันก็เข้าใจแบบนั้นพอเริ่มสนใจธรรมะเนี่ยเหมือนเราจะหลุดพลล้นละแต่พอมีอารมณ์ ก, ร, กระทบเนี่ยโอย้เรายังไม่ยังไม่พ้นเนี่ยมันยังไม่เป็นสันติติโกสันติติโกเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ศึกษาและปฏิบัติเนี่ยพึงเห็นได้ด้วยตนเอง ต้องเห็นได้ด้วยตัวเองต้องสัมผัสสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้มันต้องมีประสบการณ์มีทักษะต้องเรียนรู้จากสภาวธรรมที่ขื้นในตัวเราเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์เนี่ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อเต็มร้อยลองพิสูจน์ดูก่อนใช่ไการพิสูจน์นี้ก็ง่ายๆก็คือการมาเจริญสตินี่แหละมาปฏิบัติธรรมมากลับเอาธรรมะเข้ามาสู่ตัวเรา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 เหมือนอย่างเรากำลังเข้าสนามรบกําลังรบไม่ต้องเรียกหาครูบาอาจารย์แล้วขึ้นสนามก็ต้องรบอย่ามัวเปิดตาลารบดูมันหลงปะหลงก็รู้สึกว่ามันหลงไปแล้วมันต้องกล้าเผชิญหน้าด้วยความรู้สึกตัวต้องรบแต่บางคนบอกว่าเวลาในชีวิตจำวันเนี่ยทำไมเราจึงหลงลืมทำไมสติไม่ค่อยเกิดทาไมจึงหลงนานทำไมจึงฟุ้งซ่านมาก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 การปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแต่ต้องทำเล่นๆถ้าจะทำต้องทำเล่นๆทำแบบผ่อนคลายใครที่มีลูกถ้าเราดูลูกเราเครียดไหมถ้าเราสอนลูกเราเครียดไหมดูก็เครียดสอนก็เครียดนะแต่ถ้าเราเล่นกับลูกล่ะเล่นกับลูกอย่ามีสาร ะ, ะมันไม่เครียด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 เดี๋ยวผลการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหวังไงนะ